ในรายการที่รวบรวมเอาสารพันธ์เรื่องราวเกี่ยวกับห้องครัวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ แล้วก็เรื่องราวของเราในวันนี้นะคะหลากหลายเรื่องราวเลยที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันกกลเม็ดลุยเข้าครัวนะคะแล้วก็กลกลเม็ดเกรดเสริมครัวและสุดท้ายกลกลเม็ดเกรดท้ายครัวที่วันนี้เรามีความหลากหลายนะแล้วก็มีเรื่องราวนะคะที่จะนํามาฝากคุณผู้ฟังกันอย่างช่วงแรกเนี่ยกับกกลเม็ดลุยเข้าครัววันนี้ค่ะเอมีเมนูที่เป็นเมนูสําหรับคนรักสุขภาพเพราะว่าเห็นช่วงนี้นะใครหลายคนเลยที่ ออชื่นชอบในเรื่องของอาหารคลีนแล้วก็บางทีเนี่ยการที่เราสั่งอาหารคลีนมาเนะคะเดี๋ยวนี้ธุรกิจเขาก็เยอะมากจริงๆนะบางทีอาจจะแบบ กลัวซัมซ่ากลัวบอกว่าจำเจอะไรอย่างนี้กลัวเมนูเดิมๆเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเอก็เลยมีเมนูนะคะที่สามารถทำเองได้นะแล้วก็อร่อยด้วยมาฝากกันนะคะเป็นเมนูปลาทับทิมย่างเกลือนั่นเองนะคะกินกับน้ำพริกแจ่วนะคะแล้วก็ผักต้มเมนูอร่อยแคลอรี่ต่ำค่ะ สำหรับช่วงที่สองนะคะวันนี้เอมีสี่ไอเดียในการจัดห้องครัวห้องเล็กไม่ต้องเป๊กก็สวยได้มาฝากกันค่ะและสุดท้ายนะคะกับเรื่องราวของกลเม็ดเกล็ดท้ายครัววันนี้เอมีเรื่องราวของการทำความสะอาดนะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะกับเรื่องราวของสิบสามทริคล้างคราบสกปรกออกยากให้ครัวสะอาดเอี่ยมเหมือนใหม่ค่ะ ทั้ง3ช่วงนี้นะคะรอคุณผู้ฟังอยู่แล้วในรายการกลเม็ครัวไอเดียของเราแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเมนูปลาทับทิมย่างเกลือกันค่ะ โชคชะตายังมาเล่นกอนไม่เคยได้สุขสมใจจะมีวันที่ดีบ้างไหมให้ใจฉันเองฉันคงผิดที่รักเธอต้องเจอกับความช้ำใจ ฉันต้องทอเรื่องมันอย่างนี้เลยสัญญากับคำว่ารองเหมือนโดนสา์มาคู่กันให้คนอย่างฉันต้องรักต้องรอ จะต้องร้องไห้นานแค่ไหนถึงได้รักกันได้แต่ทวงที่เธอสัญญาไม่รู้อีกนานเท่าใดจะต้องร้องไห้นานแค่ไหนฉันก็รัก เข้าสู่ช่วงแรกของรายการกลเม็ดครัวไอเดียค่ะกับช่วงนี้กลเม็ดลุยเข้าครัวนะคะ ว, วันนี้เอมีสูตรเนีะคะสำหรับการทําอาหารคลีนอร่อยอร่อยมาฝากกันนะคะ ว, วันนี้เป็นเมนูของปลาทับทิมย่างเกลือทานคู่กับน้ําพริกแจว่วผักต้มเมนูอร่อยแคลอรี่ต่ํามาฝากค่ะสงสัยกันมานานแล้วใช่ไหมคะว่าปลาย่างเกลือเนี่ยเขาทํากันยังไงมีเคล็ดลับให้ ปลาเนี้ยมีความสดนะคะแล้วก็มีความอร่อยอย่างไรวันนี้ค่ะเอมีคำตอบมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะพร้อมสูตรของน้ำพริกแจ่วค่ะบอกเลยว่า อร่อยครบเซตแน่นอนนะคะแถมแคลอรี่ต่ําด้วยโดยปลาทับทิมย่างเกลือกับน้าพริกแจ่วแล้วก็ผักต้มนี้นะคะพลังงานที่ได้รับโดยประมาณเนี่ยอยู่ที่310กิโลแคลอรี่ค่ะส่วนส่วนผสมนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีปลาทับทิมย่างเกลือน ะ, ะสำหรับ3ที่นะคะก็จะมีปลาทับทิม1ตัวเกลือป่นหยาบนะคะสองกรัมแป้งสาลีอนเนกประสงค์2ช้อนโต๊ะ หั่นนะคะหั่นเป็นแว่นๆนะคะสามแว่นตะไครนะคะบุบพอแตกเนี่ยประมาณ4ต้นนะคะแล้วก็ใบมะกรูด 5-7 ถึงใบค่ะส่วนผสมของเครื่องเคียงนะคะก็จะมีไข่ต้มที่เป็นไข่ไก่นะคะต้ม3ามฟองผักกาดขาวแกะเป็นใบๆนะคะต้มสุก1หัวกระลำปลีต้มสุกครึ่งหัวค่ะแล้วก็มีแครอทนะคะหั่นบางๆเป็นไม่ให้หั่นบางๆสิคุณหั่นเป็นแท่งนะคะ ต่อสองหัวนะคะก็คือครึ่งนั่นเองแล้วก็มีถั่วฝักยาวนะคะหั่นท่อนต้มสุกสิบสองฝักมะเขือเปาะต้มสุกสาถึงสี่ลูกค่ะวิธีการทํานะคะขั้นตอนแรกเลยก็ให้ผ่าท้องปลาทับทิมนะควักไส้ออกนะคะก็คือการทําปลาเนี่แหละแล้วก็ใส่ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเข้าไปในตัวปลาค่ะเข้าไปในท้องเลยนะคะอย่างที่สองนะคะผสมเกลือป่นกับแป้งสาลีค่ะให้เข้ากันนะคะแล้วก็พอกไปที่ตัวปลา พักไว้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะเพื่อให้เกลือแล้วก็แป้งเนี่ยติดบนตัวปลานะคะขั้นตอนที่สามนำปลาทับทิมค่ะที่เราพอกนะคะทั้งเกลือแล้วก็แป้งเนี่ยไว้แล้วนะแล้วก็ไปย่างบนเตาถ่านค่ะให้สุกทีละด้านห้ามกลับไปกลับมานะคะเพราะว่าเกลือนั้น หลุดออกได้แล้วก็ย่างไปประมาณ25นาทีนค ะ, ะจนสุกทั้ง2ด้านจะใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงที่เป็นน้ำพริกแจ่วที่เราทำกันได้ง่ายๆนั่นเองนะส่วนประกอบของน้ำพริกแจ่วนค ะ, ะก็จะมีเป็นพริกขี้หนูแดง15เม็ดค่ะหอมแดง7หัวเมื่อเขียเทศสีดา5ลูกนะคะกระเทียมกลีบใหญ่นะะ6นคะกลีบด้วยกันน้ามะขามเปียกสองช้อนโต๊ะน้าปลา1ช้อนชา น้ำปาร้าต้มสุกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็มีน้ําตาลปี๊บนะคะครึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันเกลือป่นหยาบครึ่งช้อนชาค่ะวิธีการทํำนะคะสูตรน้ําพริกแจ่วเนี่ยขั้นตอนแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังคั่วพริกนะคะที่เป็นพริกขี้หนูหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศสีดาแล้วก็กระเทียมค่ะในกระทะให้ เกลียมเล็กน้อยนะคะพอมีกลิ่นหอมกลิ่นแบบโอ้ฟุ้งๆนะคะตักขึ้นพักให้เย็นค่ะแล้วก็นำไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะขั้นตอนที่สองค่ะเติมน้ำปลาต้มสุกนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็เกลือป่อนลงไปในโถปั่นค่ะปั่นให้เข้ากัน ตักน้ำพลิกนะีคะใส่ถ้วยเตรียมไว้มาถึงวันนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าปลาย่างเกลือที่เขาทํากันเนี่ยเขาทํากันอย่างนี้นี่เองไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะจุงมือนีคะคนที่บ้านไปตลาดกันเลยดีกว่าแล้วก็ไปซื้อปลาแล้วก็วัตถุดิบต่างๆนะคะมาลองทํากันที่บ้านดูรับรองว่าจุใจอย่างแน่นอนกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะจ๊ะ แล้วค่ะเฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานฮ ะ, ะติดตามในเรื่องราวของ c ไอเดียการจัดห้องครัวเล็กๆไม่ต้องเป๊ะแต่ก็สวยได้ค่ะัันนเเเข้าาใจวรรกองคงป็ ชุ่มเททุกอย่างสักเท่าไรคงเปลี่ยนใจที่เธอมีไม่ได้เพราะเข้าใจว่าทั้งหัวใจของเธอมีเขาอยู่และฉันเองก็ไม่อาจจะทดแทนบทานบาทนั้นที่เธอ มอบให้ไปให้กับเขาแค่ได้คอยดูแลเป็นห่วงเธอในยามเธอเงาใจคอยห่หวงใยอยู่ตรงนี้ต่อไปก็พอแค่ขอฉันเป็นเพียงพระเอกจำลองเป็นเพียงแค่พระรองที่เธอมองไม่เห็น ดีแล้วไม่ทอรับบทที่ฉันเป็นแม่ไม่โดนสนใจแม่ไม่ดีเหมือนกับใครแต่ฉันเองก็พอใจแค่ได้รักเธอแค่ได้รักเธอขอแค่พี่ วันไหนที่เธอนั้นเศร้าและเสียใจมองหารอบกายไม่เจอกับผู้ใดเธอไมีฉันที่ยังไม่หายไปอยู่ตรงนี้แค่ได้คอยดูแลเป็นห่วงเธอในยางถึงเหงาใจ เพฉันเป็นเพียงพระเอกจำลองเป็นเพียงแค่พระรองที่เธอมองไม่เห็นยินดีแล้วไม่ท้อรับบทที่ฉันเป็นมาไม่ดอนสนใจมาไม่ดีเหมือนกับใครแต่ฉันเองก็พอใจแค่ได้รัเธอ Can't run f r ฉันเป็นเพียงแพราะเอจำลองเป็นเพียงแค่พราะร้องที่เธอมองไม่เห็นนดีแล้วไม่ท้อรับบทที่ฉันเป็นมาไม่รอนสนใจมาไม่ดีเหมือนกับใครแต่ฉันเองก็พอใจ เ, เข้าสู่ช่วงที่สองนะคะของรายการกลเม็ดครัวไอเดียกันแล้วค่ะกับช่วงนี้กลเม็ดเกรดเสริมครัวนะคะวันนี้เอมีสี e ่ไอเดีย e ค่ะการจัดห้องครัวเล็กๆนะคะไม่ต้องเป๊ะก็สวยได้มาฝากกันค่ะ หลากหลายไอเดียตกแต่งห้องครัวขนาดเล็กนะคะที่ไม่ต้องเป๊ะเวอร์ก็สามารถทำให้ดูสวยน่าใช้งานได้สำหรับผู้ใดที่มีห้องครัวเล็ ก, ลกๆแล้วก็อยากลองเปลี่ยนดูมาลองฟังกันดูนะคะว่ามันจะพอแบบว่าตรงใจกับคุณผู้ฟังหรือเปล่าการตกแต่งห้องครัวขนาดเล็กค่ะหลายคนมีความกังวลว่าห้องครัวนะคะจะออกมาสวยถูกใจเหมือนหลุดออกมาจากในแมกกาซีนบ้างหรือเปล่า อันที่จริงแล้วไม่ต้องมายกับปัญหาเหล่านี้เลยค่ะเพราะว่าการที่เราจะมีห้องครัวสวยๆไว้ดูหน่าใช้งานนะคะไม่จำเป็นต้องหรูหราเป๊ะเวอร์เสมอไปห้องครัวเล็กๆก็เก๋ๆตามสไตล์ของตัวมันเองได้เช่นกันวันนี้เอกก็เลยมีไอเดียนี้มาฝากกันค่ะ สำหรับห้องครัวเล็กสุดแนวนะคะตกแต่งห้องครัวขนาดเล็กด้วยกระเบื้องสีขาวหล่อปูนทำเคาน์เตอร์แบบเปลือยค่ะก็เพื่อให้ดูลุกเท่ๆนะคะนอกจากทำเคาน์เตอร์ครัวแล้วอาจจะเพิ่มเติมด้วยชั้นวางติดผนังส่วนผนังอีกด้านเนี่ยให้ทากระดานสีดำไว้ขีดเขียนเล่นๆนะคะกลายเป็นห้องครัวสุดแนว หรือจะดูเป็นครัวสูสไตล์ไทยหยิบเอกลักษณ์แบบไทยๆค่ะมาตกแต่งแต้มให้ห้องครัวดูมีความสวยงามนะคะไอเดียนี้เนี่ยเป็นการจัดวางบาร์ของบริเวณข้างหน้าต่างค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะแก่ๆด้วยไอเทมที่ใช้เก็บของอย่างตะกร้าหวายทำเป็นชั้นวางค่ะติดผนังนะคะใช้มูลี่ไม้ไผ่แทนพระมา่านเพิ่มความสดชื่นด้วยกระดานที่เป็น อนอกจากกระดานสีดําแล้วนะคะยังมีกระถางต้นไม้แล้วก็พืชผักสวนครัวเอาไว้แบบว่าปลูกให้มันดูทั้งสวยงามแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เมื่อเวลาที่มันโตแล้วอะไรแบบนี้นะคะอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นครัวเข้ามุมค่ะเปลี่ยนมุมบ้านให้เป็นห้องครัวขนาดเล็กนะคะเลือกเคาน์เตอร์ครัวให้พอดีกับขนาดทําตู้แขวนให้เป็นรูปตัวแอล เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์แล้วก็เครื่องครัวรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยให้ห้องดูไม่เลอะเทอะนะคะดูภาพก็มีภาพรวมแล้วเนี่ยสวยลงตัวนะคะพร้อมกับการใช้งานจริงๆแล้วก็เท่ด้วยลวดลายของกระเบื้องนะคะที่เป็นลายอิดตกแต่งห้องครัวให้มีลุคทันสมัยค่ะแบบใช้ลายด้วยกระเบื้องลายอิดบล็อกนะคะเสริมทับด้วยชั้นวางไม้ที่ทำเอง สำหรับแขวนห้อยภาชนะต่างๆเรียงรายด้วยแก้วน้ำสีสันสดใสค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอนแค่ผนังเนี่ยก็เกิดแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะอาจจะดูคิดภาพตามนะใครที่นึกภาพไม่ออกนะคะก็ลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะหรือว่าลองอ วางมุมนะคะมุมภาพดูตามที่เออธิบายนะใครที่ไม่ทันจริงๆเนี่ยนะคะก็ลองดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเป็นครัวแบบเข้ามุมแล้วก็ครัวแบบ ที่เป็นสไตล์ไทยนะคะหรือว่าเป็นครัวเล็กสุดแนวก็ได้เช่นกันลองเอาทั้งสามครัวนี้นะคะไปประยุกใช้ดูเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะได้การตกแต่งห้องครัวที่สวยถูกใจแล้วก็อยากจะได้ไว้สำหรับการใช้งานที่เหมาะสมด้วยค่ะ ง่ายๆสั้นๆกันในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาจัดหนักจัดเต็มกับเรื่องราวของการทำความสะอาดคราบสกรปรกกันค่ะกับ13ทริค ก, การล้างคราบสกรปรกออกยากให้ครัวสะอาดเอี่ยมน่าใช้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ดีเกินใครแต่อีกคนหนึ่งก็เติมใจ สินใจไม่ได้สักทีขาดเธอขาดเขาจะอยู่ยังไงได้เพียงแค่คิดก็ปวดใจเจ็บเกินไปทุกที ช่วงสุดท้ายนะคะของกลเม็ดรครัวไอเดียกันแล้วค่ะกับช่วงนี้กลเม็ดเกรดท้ายครัวนะคะที่เราจะมาจัดหนักจัดเต็มกับคราบสกปรกที่ทำความสะอาดยากทั้ง13ทริกค่ะที่เอกเกรนไว้แล้วในช่วงที่แล้วนั่นเองนะคะ คุณฟังเบื่อกันบ้างไหมคะกับวิธีทําความสะอาดห้องครัวแบบเดิมๆที่ทั้งเสียเวลายุ่งยากนะคะวันนี้ค่ะขอนําเสนอวิธีนี้นะคะอย่างที่เอบอกไปแล้วว่าง่ายจริงๆแล้วก็ได้ผลเกินคาดด้วยค่ะอย่างวิธีการแรกนี้นะคะการแช่แผ่นกรองเครื่องดูดควันในความร้อนนะในน้ําร้อนเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็บรรทันะคะ หากแผ่นกลองในเครื่องดูดควันนะคะมีคราบน้ำมันแล้วก็สิ่งสกรปรกอื่นๆเนี่ยหมักหมมอยู่จนทำให้ประสิทธิภาพในการกลองนะคะลดลงเนี่ยขัดด้วยปลายเนี่ยอาจจะไม่พอจริงๆเนี่ยจะดีกว่าถ้าหากว่าถอดแผ่นกลองนะคะออกมาแช่ในน้ำร้อนที่ผสมบอลลักค่ะหต่อในสี่ ะะผสมบอรละลัก1ในสถ้วยตวงทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเท่านั้นค่ะจากนั้นก็ใช้ผ้าหนาๆ น, นะคะเช็ดคราบไขมันที่ยังอยู่นะคะออกให้หมดแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะข้อที่2 b a นะคะเบกกิ้งโซดาขจัดคราบอาหารในไมโครเวฟเราเคยพูดกันมาแบบว่าหลายครั้งมากแล้วสำหรับตัวเบกกิ้งโซดาที่เป็น สารพัดเนหาประโยชน์จริงๆซึ่งวันนี้เนี่ยสำหรับไมโครเวฟเนะคะที่เต็มไปด้วยคราบอาหารเกิดกลังนะเราสามารถทำความสะอาดได้โดยนำเบกกิ้งโซดาหนึ่งถ้วยนะคะตวงผสมกับน้ำยาล้างจานนะช้อนโต๊ะเติมลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เนื้อผสมเนี่ยมันเข้มข้นเนคะเอาฟองน้ำเนี่ยมาป้ายส่วนผสมแล้วก็นำไปขัดเพียงเบาๆนะคะก่อนที่จะเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้าสะอาดแล้วก็ผ้าแห้งอีกครั้งหนึ่งค่ะ ข้อที่3นะคะการขาจัดคราบอาหารไหมในเครื่องครัวนะคะคราบไหมที่ติดก้นหม้อน ะ, ะหรือว่าก้นกระทะนะคะสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยการเทครีมออฟทาทานะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาปริมาณเท่าๆกันลงบนรอยไหมค่ะหยดน้ำยาล้างจานนะคะตามลงไปประมาณ2 ถึง3มหยดเทน้ำร้อนลงไปอีกเล็กน้อยค่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็ล้างคาบออกนะคะคาบที่ไหมอยู่เนี่ยจะหายไปในทันทีเลยค่ะ ข้อที่สกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับแอมโมเนียเช็ดคราบน้ํามันที่ฝาครอบเครื่องดูดควันนั่นเองหลายคนนะคะอาจจะมองข้ามกระจกฝาครอบเครื่องดูดควันไปจนเต็มด้วยฝุ่นควันแล้วก็คราบน้ํามันเกาะแน่นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมล่ะคะเราสามารถล้างออกด้วยน้ําเปล่าผสมแอมโมเนียในอัตราส่วนที่เท่าๆกันคะ่ะแต่ว่าการกะปริมาณนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของฝาครอบด้วยนะคะจากนั้นก็ใช้ผ้าหนาๆนหรือว่ากระดาษทิชชู่ชนิด หนาค่ะชุบแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยคราบสกรปรกทั้งหลายก็ไม่เหลือแล้วค่ะ ข้อที่5นะคะฐ่านกําจัดกลิ่นเหม็นในตู้เย็นเพราะว่าตู้เย็นค่ะมีทั้งอาหารสดอาหารแหง้งแล้วก็ของอื่นๆอีกมากมายเลยใช่ไหมล่ะคะที่อาจจะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นแล้วก็กลิ่นอับนะคะฉะนั้นแล้วถ้าไม่อยากให้เกิดกลิ่นรบกรวนเนี่ยให้นำถ่านหุงต้มค่ะประมาณ3มก้อนใส่ลงไปในถ้วยนะคะแล้วก็นําไปวางไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งในตู้เย็นถ่านจะช่วยดูดซับกลิ่นเหม็นได้ค่ะข้อที่6นะคะล้างคราบมันออกจากตู้ติดผนัง รู้หรือไม่คะว่าควันจากการทำอาหารเนี่ยคือตัวการสำคัญที่ทำให้ตู้ติดผนังเต็มไปด้วยคราบน้ำมันจึงควรทำความสะอาดโดยด่วนนะคะด้วยการผสมน้ำยาล้างจาน2ช้อนโต๊ะน้ำอุ่น2ถ้วยตวงแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะใช้ผ้าชุบนะคะแล้วก็นำไปขัดคราบออกให้เกลี้ยงเลยข้อที่7ค่ะสะครับนะคะขจัดคราบในตู้เย็น หลายครั้งค่ะที่เราทำอาหารนะคะหกเลอะเทอะในตู้เย็นเราไม่เคยเช็ดทำความสะอาดจนกลายเป็นคราบเกล็ดกลางค่ะแก้ไขได้ด้วยการผสมเบกกิ้งโซดา2ช้อนโต๊ะนะคะกับน้ำร้อน1ใน4กัลลอนแล้วนำไปขัดตู้เย็นก็จะสะอาดเอี่ยมเหมือนใหม่แล้วล่ะคะ่ะข้อที่8นะคะมันฝรั่งขัดคลาบสนิมบนกระทะ คาบสนิมบนกระทะเหล็กนะคะกําจัดได้ไม่ยากเลยแค่โรยเกลือเม็ดใหญ่ลงไปบนกระทะค่ะให้ทั่วนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยตามด้วยน้ํามันลงไปอีกเล็กน้อยนํามันฝรั่งค่ะมาหั่นครึ่งแล้วก็จับด้านที่ถูกหั่นนะคะออกแล้วก็ถูวนไปในกระทะค่ะบริเวณที่เป็นสนิมเพียงเท่านี้นะคะสนิมก็จะหายไปในทันทีเลยละค่ะข้อที่9้าค่ะแอมโมเนียทําความสะอาดหัวเตาการเปิดเตานะคะทําอาหารอยู่บ่อยครั้งเนี่ยก็จะ ทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำความสะอาดหัวเตาสักทีหัวเตาเนะคะก็เลยดูเก่าแล้วก็พลานให้ห้องครัวนั้นดูโทมไปด้วยดังนั้นแล้วค่ะให้ถอดหัวเตาออกมาใส่ในถุงซิปล็อกนะคะจากนั้นเนี่ยก็เทแอมโมเนีย ล, ลงไปแล้วปิดปากถุงให้แน่นใช้หัวเตานะคะก็คือแช่ไม่ใช่ใช้สิคุณผู้ฟังแช่หัวเตาในแอมโมเนียเนี่ยทิ้งไว้1วนันแล้วก็นำออกมาทำความสะอาดอีกครั้งก่อนใส่เข้าไปที่เดิมค่ะ ข้อี่สิบเล้วนะคะกับสเปรย์ทำความสะอาดครัวอเนกประสงค์หากกลัวว่าสารเคมีจะตกค้างในเครื่องครัวนะคะหลังการทําความสะอาดก็นําน้ําส้มสายชูค่ะประมาณ4ออนมาผสมกับน้ําเปล่า8ออนนะค ะ, ะน้ํามันหอมระเหย10หยดนะคะแล้วก็น้ํายา ล, ล้างจาน1ช้อนชาจากนั้นเนี่ยให้เทใส่ขวดสเปรย์ค่ะแล้วก็นําไปฉีดท้นทําความสะอาดจุดสกรปรกต่างๆก่อนทําความสะอาดในทุกๆจุดในห้องครัวค่ะ ข้อที่สิเนะคะสเปรย์น้ําส้มสายชูทําความสะอาดสแตนเลสหากไม่อยากให้เครื่องครัวสแตนเลสนะคะหมัวหมองให้นําน้ําส้มสายชูค่ะเทใส่ครัวสเปรย์นะคะแล้วก็ฉีดพ่นลงบนเครื่องครัวสแตนเลสจากนั้นเช็ดทําความสะอาดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะเพียงเท่านี้เนี่ยเครื่องครัวสแตนเลสก็จะกลับมาแวววาวน่าหยิบจับมาใช้งานอีกครั้งแล้วล่ะค่ะข้อที่12นะคะสเปรย์ทำความสะอาดเคาน์เตอร์ครัวหินอ่อนค่ะ หากเคาน์เตอร์ครัวที่บ้านเนีะคะทำมาจากหินอ่อนเนี่ยก็ต้องใส่ใจกับความสะอาดนะคะแล้วก็เรื่องของการทําความสะอาดมากกว่าเคาน์เตอร์ชนิดอื่นๆด้วยการผสมแอลกอฮอล์หนึ่งในสีถ้วยตวงกับน้ํายาล้างจานนะคะสาหยดแล้วก็น้ําเปล่า16ออนเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็เทใส่กรวดสเปรย์นะคะก่อนที่จะนําไปฉีดพ่นทําความสะอาดตรงเคาน์เตอร์หินอ่อนค่ะ ข้อที่13าข้อสุดท้ายนะคะเบกกิงโซดาคืนความหม่ให้กับเตาไฟฟ้าหลายบ้านเลยนะคะที่ใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่คลาบอาหารนะคะที่หมักหมมบนเตาไฟฟ้าจนย่าที่จะแก้ไขล้างออกได้ง่ายๆเลยนะคะโดยการบีบน้ำยาล้างจานลงบนเตาไฟฟ้าให้ทั่วค่ะจากนั้นก็โรยเบกกิงโซดาตามลงไปนะคะตามด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เราก็ใช้แปลงหัวอ่อนค่ะขัดให้คราบสกรปรกนะคะหลุดออกไปทิ้งไว้ 2-3 นาทีแล้วก็ค่อยเช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ให้สะอาดจนหมดจดค่ะ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะอย่าปล่อยให้ห้องครัวสกรปรกจนเกินเยียวยาหันมาทำความสะอาดกันตั้งแต่เนินๆนะคะด้วยวิธีการทำความสะอาดสูตรแม่บ้านมือโปรอย่างที่เรานำมาฝากกันดีกว่าค่ะทั้งง่ายแล้วก็ได้ผลวเร็วด้วยนะคะไม่ต้องเสียเวลาทำความสะอาดแล้วก็ออกแรงขัดกันจนเหนื่อยอีกต่อไปแล้วค่ะ และนี่คือเรื่องราวนีคะสารพันห้องครัวเลยที่เอนํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะทั้ง3ามช่วงเป็นยังไงกันบ้างคะสัปดาห์หน้าเนียคะเอยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยแต่ว่าวันนี้เนีคะหมดเวลาของเอนแล้วก็รายการกลเม็ดครัวไอเดียกันแล้วค่ะเพราะว่าเราเดินทางกันมาครบ1ชั่วโมงกันแล้วนะคะ mm. เรื่องราวที่เกี่ยวข้องนีคะกับห้องครัวไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งห้องครัว การทำความสะอาดห้องครัวนะคะรวมไปถึงเคล็ดลับแล้วก็กลวิธีในการทำอาหารการถนอมอาหารการปรุงอาหารต่างๆเอเนำมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยแน่นอนแล้วก็วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยลากไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www radio rmutt ac th